จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประพฤติมาปฏิบัติตามพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนจะนํามาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขจะนํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตจิตใจความเจริญก้าวหน้าของจิตใจนี้ ต่างกับความเจริญก้าวหน้าของสิ่งศิลอื่นๆซึ่งเรามักจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าเช่นความเจริญก้าวหน้าด้วยด้วยลาบด้วยยศเหนี้เป็นต้นความเจริญแบบนี้ไม่ได้เป็นการเจริญที่แท้จริงการเจริญที่แท้จริงนั้นต้องเจริญที่จิตใจ จเจริญด้วยคุณธรรมคนเราจะเจริญจะสูงหรือจะเสื่อมหรือจะต่ำนั้นไม่ได้อยู่ที่ความเจริญของราบของยศแต่อยู่ที่คุณธรรมภายในใจของตนว่าตอนเองมีคุณธรรมเช่นมีศรัทธาความเชื่อ ในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์หรือไม่มีจาคะคือความเสียสละอยู่หรือไม่มีศีลคือความประพฤติ ท, ที่ดีงามหรือไม่มีปัญญาคือมีเหตุมีผลหรือไม่นี่คือปัจจัยที่จะทําให้มนุษย์เราจเจริญ ทำให้มนุษย์เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าขาดปัดจจัยเหล่านี้แล้ว <c oughs> ถึงได้ว่าโลกเราจะเจริญด้วยวัตถุเข้าวของต่างๆอย่างที่เป็นกันอยู่ในสมัยนี้แต่จิตใจของมนุษย์เรากับเสื่อมลงไปเรื่อยๆยิ่งเจริญทางด้านวัตถุมากเท่าไหร่ความ เสื่อมของจิตใจก็มักจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเมื่อเราทุ่มเทต่อการสร้างความเจริญทางด้านวัตถุเราก็ต้องเสียสละหรือตัดความเจริญทางด้านจิตใจไปโลกที่เจริญแล้วมักจะไม่เชื่อคำสอนของนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่มีจริงการเวียนว่าตายเกิดในภบน้อยภบใหญ่มีจริงถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อแล้วเราก็จะไม่เกรงกลัวต่อการกระทำบาป เวลาที่เรามุ่งไปพัฒนาทางด้านวัตถุเช่นมุ่งแสวงหาเงินทองหาตำแหน่งหาอำนาจเราก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เราได้สิ่งที่เราต้องการกันอย่างที่เราคงจะทราบกันดีคนที่ทำมาหากินหาเงินหาทองทุกวันนี้เขาไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องศีลธรรมเท่าไหร่ อาชีพใดที่ทําให้เขาได้เงินได้ทองเขาก็ยินดีจะทําจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็ยินดีที่จะทําเขาร่ํารวยเป็นมาเศรษฐีบนกองกระดูกของสัตว์เช่นกองเป็ดกองไก่กองสุกรสัตว์เหล่านี้ต้องพลีชีพเพื่อให้เขาได้ร่ํารวยได้เจริญด้วยวัตถุด้วยข้าวของเงินทองต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันจิตใจของเขาก็ต้องเสื่อมลงไปจิตใจของคนเราของสัตว์โลกนี้จะสูงหรือจะต่ำนี้อยู่ที่ศีลธรรมว่ามีศีลหรือไม่มีศีลที่นี้เป็นเหมือนกับกำแพงที่แบ่งกั้นระหว่างสุขติกับทุกกติสุขติก็คือพบของมนุษย์ ของเทพ <c oughs> ของพรหมของพระอริยเจ้าส่วนทุกติก็คือเป็นที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของผีของสัตว์นรกอยู่ตรงที่ศีลห้านี้เองอยู่ที่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูดปดมดเทศเสษสุรายาเมาหรือไม่ถ้าถ้ากระทําผิดศีลห้าจิตใจก็ต้องเสื่อมต่ำลงไปจากเป็นจากการเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นผีบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างขึ้นอยู่กับเหตุของการกระทําว่า กระทำด้วยเหตุผลกลไกใดถ้าทำผิดศีลเช่นฆ่าสัตว์เตัดตัดชีวิตเพราะไม่รู้ <c oughs> เช่นไม่เชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงหรือไม่รู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงก็เลยไม่กลัวบาปเมื่อมีความจำเป็นต้องทามาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ยินดีที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เช่นบางท่านก็ไปยิงนกตกปลาไปมีอาชีพทางด้านการฆ่าสัสตว์ตัดชีวิตเพราะคิดว่าจำเป็นต่อการดารงชีพถ้าไม่ไม่ได้ทำอาชีพเหล่านี้แล้วชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้แต่ความจริงแล้วคนที่เขาไม่ทำอาชีพเหล่านี้เขาก็อยู่กันได้ถงไปมีอยู่ถงไป คนที่ทําอาชีพพยาบาลอาชีพหมออาชีพค <c oughs> ้าขายเ ย, ย็บปักถักร้อยทํากับข้าวกับปลาค้าขายสิ่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตของผู้อื่นเขาก็อยู่กันได้แต่เนื่องจากคนที่คิดว่าเมื่อกี้ได้พูดถึง <c oughs> เรื่องการทําผิดศินเนื่องจาก เหตุที่ไม่รู้ว่าการทำผิดศีลนี้เป็นบาปมีผลที่จะทำให้ตนเองต้องไปเกิดในอบายถ้าทำไปด้วยสายเหตุที่ไม่รู้เพราะคิดว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีอาชีพเพื่อที่จะได้อยู่ได้คนที่เขาทำอาชีพที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็ ต้องไปรับผลต่อไปหลังจากที่เขาตายไปแล้วคือจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานนี่เป็นเป็นผลที่จะตามมาที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการไม่รู้ว่ามีผลเสียตามมาส่วนผู้ที่ทำผิดศีลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีลักทรัพย์ก็ดี หรือประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงก็ดีเพราะความโลภความอยากได้อยากมีมากๆมีทั้งๆที่มีสมบัติพอกินพอใช้อยู่แล้วแต่ก็ยังอยากจะร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยกล้าที่จะทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำเช่นช่อโกงลักทรัพย์ หรือหลอกลวงผู้อื่นเพื่อให้ได้ทรัพย์หรือสิ่งของที่ตนเองต้องการหรือต้องการสามีหรือภรรยาของผู้อื่นหรือตนเองมีสามีภรรยาอยู่แล้วแต่ยังไม่พอมีสามีคนเดียวมีภรรยาคนเดียวยังไม่พอก็ ไปหาสามีใหม่ภรรยาใหม่มาเพิ่มอีกการกระทำด้วยความโลภแบบนี้ท่านว่าท่านว่ามันเป็นผลที่จะทำให้ต้องไปเกิดเป็นเปรตนะการกระทำบาปกรรมด้วยเหตุผลคือความโลภจะทำให้ต้องไปเกิดเป็นเปรต ส่วนถ้าทำด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเช่นผู้มาสร้างความไ ม, ไม่มาทำความไม่พอใจให้แก่เราเราก็เกิดความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทแล้วก็ไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาอย่างนี้ท่านว่าก็จะต้องไปตกนรก การกระทำบาปด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทนี่คือเรื่องของการทำบาปทำกรรมซึ่งเราควรที่จะหดีกเลี่ยงอย่ากระทำขอให้เรามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามรักษาสีน์ห้าไว้ให้ดีนแล้วเราจะ อยู่อย่างมีความสุขและเมื่อตายไปเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือได้ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมหรือได้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าตามลำดับต่อไปอยู่ที่ <c oughs> การรักษาศีล น, นี้เป็นเบื้องต้นเมื่อเรารักษาศีลได้เราก็ควรที่จะ สร้างบุญสร้างกุศลอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างความเสียสละให้มีอยู่ภายในใจของเราจากะแปลว่าการเสียสละถ้าเราเสียสละได้มากน้อยเพียงไรจิตใจเราจะสูงขึ้นมากน้อยเพียงนั้นนะเพราะสิ่งต่างๆที่เรากำลังมีอยู่ที่เรากำลังรักกำลังหวงอยู่นี้ ไม่ได้มีประโยชน์แก่จิตใจของเราแต่อย่างใดมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจของเราและจะทําให้เราไปสร้างบาปสร้างกรรมได้เช่นร่างกายของเรานี้พวกเราทุกคนก็รักร่างกายของเราด้วยกันเราพร้อมที่จะปกป้องดูแลรักษาไม่ให้ร่างกายของเรานั้น ถูกทำลายถูกทำลายลงไปถ้าเราไม่มีจาคะเราก็จะกล้าที่จะฆ่าเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเราไวเช่นเราไม่มีอาหารรับประทานเราก็กล้าที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อให้มีอาหารมารับประทาน <c oughs> เราก็จะไม่สามารถ รักษาความดีงามคือศีลธรรมไว้ได้แต่ถ้าเรามีจา้ะแล้วเราจะยอมอดอยากมื้อกินอดมื้อกินมือหรือกินอาหารชนิดอื่นที่ไม่ใช่เป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต <c oughs> เนื้อสัตว์นี้ถ้าเราจะรับประทานก็รับประทานได้ แต่ขอให้เป็นเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วเช่นถ้าเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ที่บ้านเพื่อเอาไข่ไว้รับประทานพอเป็ดหรือไก่เขาตายไปเราก็เอาเป็ดไก่ที่ตายนี้มาทาอาหารรับประทานได้ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดแต่ถ้าเราเอา เป็ดไก่ที่ยังมีชีวิตอยู่นี้มาฆ่าเพื่อเป็นอาหารอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการกระทำบาปแล้วก็จะส่งผลเสียต่อเราต่อไปเราจึงต้องมีจาระคคือยอมอดดีกว่ายอมทำผิดศีลผิดธรรมเพราะ ผลที่ได้กับผลที่เสียนี่มันไม่คุ้มกันผลที่ได้ก็คืออาหารมื้อหนึ่งเท่านั้นเองแต่ผลที่เสียก็คือวิบากกรรมที่จะตามมาต่อไปต่อไปจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ให้ผู้อื่นเขาฆ่าเราอย่างนี้มันไม่คุ้มสู้ยอมอดอยากขาดแคลนดีกว่า เพราะร่างกายนี้ต่อให้เลี้ยงดูดีอย่างไรก็ตามสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตายไปแต่ตายแบบรักษาศีลนี้ตายแบบกําไรอยู่แบบกําไรอยู่ก็มีความสบายใจตายไปก็ได้ไปสู่สุคติได้ไปสวรรค์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าอยู่แล้วค่าผู้อื่นตายไปก็ขาดทุนเพราะตายไปแล้วก็ต้องไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีขณะที่อยู่ก็มีความไม่สบายอกไม่สบายใจอย่างที่เมื่อไม่กี่วันผ่านมาก็มีผู้มาปรับทุกข์ว่าเขามีความทุกข์ใจมากที่เขาได้ไปทำการแทงลูก แล้วเขาก็มีความรู้สึกสำนึกผิดในบาปของเขาเขาถามว่าจะทำอย่างไรก็บอกเขาว่าบาปที่ทำแล้วนี้มันก็ต้องมีผลของมันสักวันหนึ่งผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือความไม่สบายอกไม่สบายใจความเศร้าเสียใจ ส่วนผลที่จะตามมาต่อไปก็ต้องไปเกิดในอบายหรือไปเกิดในท้องใครแล้วก็ถูกเขาทำแท้งเหมือนกับที่เราทำแท้งกับเขานี่จะเป็นวิบากที่จะตามมาต่อไปแต่การที่มาเศร้าโศกมาทุกขมามีความรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจนี้ ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งโดยใช่เหตุขอให้เราสำนึกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีแล้วก็เห็นผลแล้วว่าทำให้เราทุกขทรมานใจแล้วพยายามที่จะไม่ทำอีกต่อไปส่วนแล้วก็พร้อมหรือยินดีที่จะรับกับผล ที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปอย่างน้อยเราจะได้ระงับดับความทุกข์ในปัจจุบันถ้าเรายอมรับความจริงการยอมรับความจริงนี้เรียกว่าปัญญาปัญญาก็คือการรู้เหตุรู้ผลนั่นเองรู้ว่าการกระทำอย่างนี้จะทำให้เกิดผลอย่างนี้ขึ้นมาการกระทำอย่างนั้นจะทำให้เกิดผลอย่างนั้นขึ้นมา เรียกว่าเป็นปัญญาเรายอมรับว่าเราทาบาปแล้วเราก็ต้องไปใช้กรรมต่อไปจะไปเกิดในอบายก็ยอมรับไปเพราะจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามเมื่อทำไปแล้วผลมันก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเหมือนกับเราปลูกต้นผลไม้เช่นต้นทุเรียนไว้เมื่อถึงเวลามันก็ต้องออกออกลูกทุเรียนออกมา จะไปอยากให้มันเป็นผลส้มหรือเป็นผลกล้วยก็เป็นไปไม่ได้ปลูกอะไรไว้ก็จะต้องได้ผลอย่างนั้นปลูกทุเรียนก็ได้ลูกทุเรียนปลูกส้มก็ได้ลูกส้มเราทำบุญเราก็จะได้สวรรค์ได้ความสุขได้ความเจริญเราทำบาปเราก็จะต้องได้ความทุกข์ได้ความเสื่อม ต้องไปเกิดในที่ที่ไม่มีใครอยากจะไปเกิดกันแต่ไม่มีใครห้ามได้ผู้ที่จะห้ามได้ก็คือตัวเราเองคือการกระทำของเราถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดในอบายก็อย่าทาบาปส่วนบาปที่ทําไปแล้วก็ห้ามไปลบล้างไม่ได้ไปแก้ไม่ได้ เราก็ต้องยอมรับผลของมันไปเมื่อถึงเวลานอกจากว่าถ้าเราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลในชาตินี้ได้อย่างเต็มที่จนได้บรรลุปเป็นพาาาระอรหันต์หรืออย่างน้อยได้เป็นพระโสดาบันแล้วเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไป ผู้ที่จะบรรลุพระโสดาบันได้จะต้องมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมที่ยอมที่เห็นว่ามีการเกิดย่อมมีการดับเป็นธรรมดาเช่นร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาดังนั้นจะยินดีที่จะยอมตายแต่เพื่อที่จะรักษาศีลธรรมเอาไว ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมก็คือศีลธรรมความดีงาม น, นี้เองสำหรับพระโสดาบันนี้ท่านยอมตายดีกว่าที่จะไปฆ่าผู้อื่นสมมุติว่าจะมีผู้อื่นจะมาฆ่าท่าน ท่านจะไม่ป้องกันตัวด้วยการไปฆ่าผู้อื่นแต่ท่านจะหลบจะหลีกจะหนีท่านก็ทำได้แต่จะไม่คิดป้องกันตัวเองด้วยการฆ่าผู้อื่นผู้ที่จะมาฆ่าท่านท่านยอมตายดีกว่าเพราะท่านรู้ว่าการฆ่านี้มีความมีโทษที่รุนแรงต่อกว่าความตายความตายนี้ ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายอยู่ดีอยู่ที่ไหนก็ต้องตายไม่มีใครมาฆ่าร่างกายมันก็ต้องตายของมันไปเองเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านรู้ว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาดังนั้นการรักษาชีวิตด้วยการด้วยการทาลายศีลธรรมยึงไม่เป็นสิ่งที่พึงกระทำ ถ้าสามารถทำจิตใจให้เกิดปัญญาและกล้าที่จะสละชีวิตเพื่อรักษาศีลธรรมแล้วจิตใจก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้จะเคยทำบาปมามากมายก่ายกองในอดีตก็ต่างแต่เมื่อจิตใจได้เข้าสู่ขั้นพระอริยเจ้าแล้ว ก็จะหลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายสำหรับพระโสดาบาันนี้สมมติว่าถ้าตายไปและยังไม่ได้บรรลุธรรมที่สูงกว่านี้ท่านก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแต่พบชาติที่ท่านจะเกิดก็จะเกิดในภพของมนุษย์ของเทพเท่านั้นจะไม่เป็นจะไม่ไปเกิดในอบายจะไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานจะไม่ต้องไปตกนรกอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่เราทำได้ถ้าเรากลัวที่จะไปใช้บาปใช้กับในอบาย <c oughs> ก็ขอให้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลให้มากบุญกุศลที่เราจะต้องสร้างเพื่อให้เกิดปัญญานี้ <c oughs> ก็คือการภาวนา <c oughs> การทำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์บริกรรมพุทโธพุทโธไปทำจิตใจให้สงบนิ่ง เมื่อจิตสงบเนื่องแล้วเราจะพบกับความสุขเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีความสุขไม่มีความสุขเท่ากับความสงบของใจเมื่อเราพบกับความสุขอันนี้แล้วเราจะกล้าที่จะสละความสุขอื่นๆไปเราก้าที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกล้าที่จะสละชีวิตเพราะเรารู้ว่า ความสุขนี้ดีกว่าการมีสิ่ง อ, อื่นๆสิ่ง อ, อื่นๆมีแล้วกลับทําให้ใจของเรามีความทุกข์ถ้าเราเห็นความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะพยายามที่จะรักษาความสุขนี้ไปเวลาที่เราออกจากสมาธิเวลาจิตเกิดความโลภความความโกรธความหลงขึ้นมาเราก็สอนจิตว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราควรที่จะโลภควรจะอยากได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นความสุขที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีความทุกข์ให้กับเราทั้งนั้นทุกวันนี้ที่เราทุกข์ก็ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มีที่เรามีอยู่กันถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องไม่ทุกข์กับร่างกายนี้ถ้าเราไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูก เราก็ต้องเราก็ไม่ต้องทุกข์กับสามีกับภรรยากับลูกถ้าเราไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองเราก็ไม่ต้องไม่ทุกข์กับเราก็ไม่ต้องทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วต่อไปเราจะเกิดปัญญาเราจะไม่ยินดีกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เรายินดีที่จะจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไป เมื่อเราตัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่มีความอยากที่จะแสวงหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วนั่นเองนี่คือเรื่องของปัญญาเป็นอย่างนี้ถ้าเราภาวนาแล้วเราพิจารณาเวลาจิตสงบแล้วออกจากความสงบ เราก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงถึงความเป็นทุกข์ของสิ่งต่างๆของถึงถึงความว่าถึงความไม่มีตัวตนหรือความที่มันไม่ใช่เป็นของเราพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ทุกข์กับเขาและเราจะไม่อยากไม่ต้องการอะไร เมื่อเราไม่มีความอยากแล้วเราจะพบกับความสุขที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พบกันก็คือความสุขของพระนิพพานนี่ยจึงขอให้ท่านจงปลูกฝังศรัทธาความเชื่อให้เกิดขึ้นเพื่อท่านจะได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือสอนให้มีศีลให้มีความเสียสละ ให้มีปัญญาด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนานั่งสมาธิจเจริญปัญญาจเจริญวิปัสสนาพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจคุกขังอนัตตาถ้าทำอย่างนี้แล้วต่อไปท่านก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะมีแต่ความสุขไปตลอดอนันตการจึงขอฝากเรื่องของการมาวัด เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลในวันเวลาที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆขอให้ทำอยู่เรื่อยๆและทำให้มากขึ้นไปแล้วความสุขและความเจริญความห่างไกลจากทุกภัยทั้งหลายจะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้